ตัวควบนี้ก็คือตัณหาตัณหาที่เข้ามาในตอนนี้มีได้ทั้งสองอย่างอย่างแรกคือความรนในการปกป้องความมั่นคงถาวรของตัวตนหรือภาวะตัณหาซึ่งจะเห็นได้ชัดในกรณีที่หิวมากคือร่างกายขาดอาหารมากและตกอยู่ในภาวะที่อยากจะได้อาหารมากิน ตัณหานี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกกลัวตายความวิตกกังวลความกระวนกระวายความทุรนทุรายเพิ่มเติมเข้ามาผนวกกับความทุกข์ตามปกติจากการอดอาหารยิ่งตัณหาแรงเท่าใดอาการก็ยิ่งเป็นไปมากตามอัตราจากนั้นก็จะมีการแสแวงหาอาหารพฤติกรรมในการแสแวงหาที่ตัณหาเป็นผู้บัญชานั้น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 ทางธรรมะถึงกับกำหนดให้การสแสวงหาอาหารโดยทางชอบธรรมเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะต้องทำทีเดียวและให้เพียรพยายามในการสแสวงหานั้นด้วยแม้แต่พระภิกษุซึ่งควรมีชีวิตที่ขึ้นต่ออาหารน้อยที่สุดท่านก็ให้มีอุตสาหะในการสแสวงหาตามวิธีที่เป็นแบบแผนของตนดูได้จากวินัยปิฎกเล่มสี่เรื่องในที่มานี้ ช่วยให้เห็นความต่างอีกแง่หนึ่งระหว่างการสแสวงหาที่เป็นการกระทําและเป็นหน้าที่กับการสแสวงหาที่เป็นเพียงการหาทางให้ได้มาเสพส่วยโดยไม่ต้องทําตันหาอย่างที่สองที่จะเข้ามาก็คือการมตันหาหรือความกระหายอยากในการเสพเวทนาอันอร่อยการมตันหาจะเข้ามาร่วมกับความหิว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 หิวน้อยก็กินน้อยถ้าตัญหากำหนดฝ่ายเดียวพฤติกรรมก็จะเป็นไปในรูปว่าอร่อยมากก็กินมากอร่อยน้อยก็กินน้อยแต่นั่นเป็นเพียงข้อสมมติตามปกติตัญหาไม่เคยยอมปล่อยให้ความหิวกำหนดพฤติกรรมฝ่ายเดียวตัญหาจะต้องแทรกเข้ามาเสมอและเมื่อความหิวกับตัญหาเข้ามาร่วมกันกำหนด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 การกินเป็นการกระทำและการได้สนองความต้องการของร่างกายเป็นผลโดยตรงของการกระทำคือการกินนั้นส่วนในกรณีของตัณหาการกินเป็นการกระทำการได้เสพรสอร่อยต้องอาศัยการกินแต่ไม่ใช่ผลโดยตรงของการกระทำคือการกินนั้นพูดตามหลักขั้งต้นว่า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 แต่การกินเป็นเงื่อนไขอันจำเป็นที่จะให้ตัญหาได้เสพรสอร่อยไม่มีทางเลือกอย่างอื่นจึงต้องกินถ้ายิ่งอร่อยก็ยิ่งกินไม่คำนึงว่าจะเกินความต้องการของร่างกายหรือไม่แต่ถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ยอมกินไม่คำนึงว่าร่างกายจะได้รับอาหารน้อยเกินไปหรือไม่สายัางรู้สึกว่าการเคี้ยวการเกินกินล้วนเป็นการกระทาที่ยากลาบาก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 เม่อทำให้คนอยากกินได้แล้วกายก็ค่อยสบายขึ้นเพียงคอยนอนรออยู่คนเขากระตือรือร้อนกินของเขาเองพอคนกินอร่อยของเขาไปกายก็พลอยได้รับอาหารที่ต้องการไปด้วยอย่างไรก็ตามวิธีสร้างเงินไขหลอกคนอย่างนี้มิใช่จะได้ผลดีมากมายนักบางครั้งก็กลับทําให้กายประสบผลร้ายอย่างหนักถ้าคนนั้น